ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมแสดงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชณสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชมเดิมปราโมทสันตยากรท่านเกิดปีพุทธศักราช2495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 ส่วนหนึ่งชื่อว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งชื่อวิปัสสนากรรมฐานควรทําทั้งสองอย่างนะถ้าทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้เหลืออย่างเดียวควรจะทําอะไรเนะหลืออย่างเดียวถ้าทํำวิปัสสนาได้ให้ทําวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาเนี่ยเป็นเนื้อแท้ในทางาศาสนาพุทธสมถกรรมฐานนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะหรือสีชีพไพรเนี่ยทำสมถะได้มาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตานเป็นเจ้าชายสิทธะทะนะัตถะ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 หลวงพ่อตานเด็กๆนะห่างไกลครูบาอาจารย์ตอนเด็กไปเรียนกับท่านพ่อหลีอยู่ได้ปีสองปีท่านก็มรณภาพไปเราไม่มีอาจารย์ภาวนาต่อนะเราก็จะทำแต่หายใจของเราไปอย่างนั้นเองหายใจไปแต่ไม่รู้เลยว่าหายใจไปเพื่ออะไรหายใจเราจะต้องทำยังไงอีกไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเรียกว่าปฏิบัติตามยถากรรมนะเสียเวลาไปตั้งนานหลวงพ่อไปทำสมถะอย่างเดียวอยู่22ปีนะนะบางคนในนี้ยังอายุไม่ถึง22ปีเลย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 พออยากดูก็ลงไปจ้องพอจ้องมันก็นิ่งอย่าจ้องมันรู้เล่นๆอ่าคนคตอบไปใครใจลอยบ้างยกมือให้ยนตโฉมหน่อยอืใจลอยเห็นไหมใจล อ, อยใจมันหนีครับนััฒการครับหลวงพ่อครับนั่งให้สบายผมปฏิบัติก็มีหลายวิธีครับบางทีก็นั่งแบบรู้สึกเนื้อรูปตัวเฉยบางทีก็พุทโทอรับแล้วก็พอไปคิดก็ ก, ก็ก็รู้ทันอย่างนี้ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วนั่งทํารู้สึกตัวแล้วพอเราขึ้นมือเราเห็นมือเหมือนกับเป็นท่อนไม้<อ>แห้งนั่นแหละไม่ใช่ตัวเราเหรอกเปลี่ยนวัตถุไม่ใช่เราแล้วก็แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคือนั่งสมาธิ ป, ปุ๊บกำลังจะล้มตัวนอนก็เจริญส ต, ติไปทําความรู้สึกตัว ต, วตลอดจนนอนลงปุ๊บเห็นตัวเองเหมือนกับเป็นก้าวปร่งใสข้างในโปร่งันนี้คนิมิตล ะ, ละอันนี้คือนิมิตเป็นสมถะละแ<อ>สดงว่าตอนดูนี่เพ่งอยู่ไปเพ่งกายเพ่งแล้วมันจะใสเป็นแก้วแล้วก็ มีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วเห็นความฟุ้งซ่านแยกมาเอออย่างนี้นทาวิปัสสนาได้ไดเห็นไหมสภาวะธรรมอยู่ส่วนสภาวะธรรมความฟุ้งสซ่านเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรา<ช>มันแยกออกไปอยุดทางหักนั่นแหละดีแล้วก็เดินจงกรม ม, มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เหมือนกับรู้สึกว่าไม่อยากรับครั้งทางนั้นเลยครับอย่างละครั้งอย่างเดียวนะแล้วทุกสภาวะเกิดแค่ครั้งเดียวเองครัเหรออย่าอยากนะถ้าอยากแล้วมันจะไม่เกิดซ้ําถ้าไม่อยากเลยมันก็เกิดอีก เดินจงกรมแล้วรู้สึกเหมือนมันเดินไปเองมันมันทำเ อ, อเองทุกอย่างเลยเออมันทําเองอย่างนั้นใช้ได้เห็นไหมกายไม่ใช่เราหรอกมันทําเองอย่างนี้ดีออนะแล้วก็ความความคิดที่เคยเห็นก็คือเหมือนกับมันแตกเป็นโมเลกุลแว บ, บไปเลยนะเออนะมันเกิดแล้วมันดับถูกต้องเดีย๋ยวนั่นแหละเรียกว่าเราทําวิปัสสนาอยู่มันเกิดแล้วมันดับดีออไปออทำอีกนะนักการศึกษาใจไม่ตัออ้งมั่นหรอกไหมนั่งให้สบายนั่งสบาย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 เห็นไหมใหญ่อตอนเล่าให้หลวงพ่อฟังมเมื่อกี้มันก็อินนะก็เคลิ้มๆไปในอารมณ์นะพยายามทําให้ดูน่าสงสารหน่อยๆอะไรเงี้ยจมัน <c oughs> ทําใจอ่อนๆหน่อยอาจจะช่วงนี้เป็นช่วงเยืยบกําลังน่าสงสารมัะนะเห็นไหม <c oughs> เราเนี่ยเราปรุงขึ้นมาให้ <c oughs> เรารู้ทันนะ <c oughs> การภาวนาเนี่ยอย่า ก, กลัวหลวงพ่อนะภาวนาเนี่ยเราเรียนกันซื่อๆเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราเรียนรู้มันไปด้วยเรียนไม่ใช่เพื่อเอาดีนะแต่เรียนเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวค่ะ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 โดยพื้นฐานเป็นขี้โมโหมันดฮเอ่อหงุดหงิดง่ายเสียใจใจน้อยนะเนี่ยเรารู้ลงไปเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยนะอ้าวไปคนต่อไปแล้วอยากจะขออีกคำถามหนึ่งค่ะหลวงพ่อคืออยากจะขอวิหารธรรมให้ดูร่างกายไปขอบคุณเรักกายมากด้วยนะมันรักสวยรักงามรักอะไรเงี้ยเรารู้มันที่ที่ดูอยู่นี่ถูกต้องใช่ไหมคะนี่เพ่งอยู่อันนี้ไปเพ่งกาย รู้กายก็แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายไปเรื่อยๆ <intentar S 2> จะเห็น sand, ในร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์น ะ, ค, ะคอยดูไปในกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ดูอย่างนี้บ่อยๆความรักกายมันจะลดลงไม่ใช่ดูจ้องไว้งี้นะไม่ใช่ออรู้สึกสบายๆเงี้ยเดี๋ยวมันก็ท<ถ>ุกข์ขึ้นมาให้ดูแล้วก็รู้ไปออนในที่สุดปัญญามันเกิดมันจะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไป ด, ดูตัวนี้นะแล้วมันจะไม่ค่อยรักกายละ คนต่อไปครใจลอยบ้างยกมือมีผู้ร้ายปักแข็งประมาณครึ่งหนึ่งอ<า>่ า, าว่าไปหลวงพ่อค่ะก็คือว่าดังๆไม่ได้ยินอย่างส่งการบ้านว่าขณะนี้เนี่ยตื่นใต้นเป็นพื้นฐานคิดว่าไม่ได้กดจิตไม่ได้แพ่งไม่ได้ประคองแต่ว่าใจไม่ตั้งมั่นืแล้วก็มั ว, ม, วมัวด้วยมัวมัวดีมัวมัวเนี่ยจิตมีโมหะ เรารู้ว่าจิตมีโมหะใช้ได้มวัวรั่วมวัวหลักของการปฏิบัตินะอันแรกเลยให้รู้สภาวะที่กําลังปรากฏอยู่เช่นจิตมวัวรั่วมัว ة. อันที่สองเมื่อรู้สภาวะแล้วนะรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าจิตมวัวแล้วไม่ชอบให้รู้ทันว่าไม่ชอบในสุดมันจะรู้จิตที่มวัวด้วยใจที่เป็นกลางรู้จิตที่สว่างด้วยใจที่เป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางภาวนาเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลาง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 ให้ไปรู้เอาแล้วกคนสาวถามว่าติดพบอะไรหรือเปล่าคะติดพบอะไรมัคะติดนะจงใจปฏิบัติก็เป็นพบนะค่ะเอเป็นพบของนักปฏิบัติค่ะแต่มันติดทุกคนแหละอย่ากลัวเลยหลวงพ่อคะแล้วิหารได้ทำขอวิหารแล้ทำไมคะโดยจิตไปเราเป็นคนช่างคิดคิดมากคิดทั้งวันคิดทั้งคืนดูไปดูจิตไม่ใช่ดูไม่ให้คิดนะรู้ความรู้สึกเนี่ยใจมัวก็รู้ใจสว่างก็รู้ใจสุขใจทุกข์รู้ไปด้ อย่างอย่างบางคราวเห็นไหมเมื่อกี้ใจหยาบพูดไม่เห็นไม่หยะบางข่าวแม่แม่บ่นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออแม่บ่นมันก็ไม่โกรธแม่มันไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่าต้องดูให้ดีไม่โกรธแม่เพราะเอาใจมาล็อกอยู่อย่างนี้เป่าเนี่ยถ้าใจล็อกอยู่อย่างนี้นะใครด่าก็ไม่โกรธหรอกค่ะอย่าไปติดล็อกสิเดี๋ยวจะโกรธแม่ขอบคุณค่ะอ้าวคนต่อไปคนนี้หัวใจจะวายแล้วเอ้า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 ตอนนี้จิตเริ่มเคลื่อนออกมาแล้วรู้สึกไหมจิตตรงนี้แหละคือจิตที่รู้สึกตัวพอหายใจเข้าลึกๆมันช่วยได้นะคะมันแบบเหมือนกับแล้วแต่ละคนอถอนใจดีที่สุดเลยถอนถอ น, ถอนใจเ <c oughs> นี้ยเออหายใจเข้าลึกๆมันยิ่งหนักกว่าเก่าสิเอานะไปถอนใจนะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะอย่าไปประคับมันต้องปร่งๆงอย่างนี้แล้วป่อยตรงนี้กดไวน้นิดหนึ่งล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 <C lad ic> นะถ้าเราเพ่งแล้วมันไม่เคลื่อนไหวนึกออกหรือยังค่ะมันไม่แสดงสจรักมันขึ้นวิปั ส, สนาไม่ได้เนีย่ยตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมเออใจไปคิดแล้วรู้ใจไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้นะใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้ไหมเออให้รู้ทันเอาค่ะ <C lad ic> อยากกลับถามหลวงพ่ออีกอันหนึง่งมีอยู่วันหนึ่งโยมไปเอ่อไปตลาดแล้วก็วันนั้นทําสตังหายแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ตัวว่าสตังหายอะใช่ถ้ารู้แล้วไม่หายอะ คือไปไปไปฝากเขาไว้แล้วก็ลืมไปทั้งวันเลยอ่ะค่ะแต่วันทั้งวันก็ไม่ได้คิดอะไรอะพอพอตอนเย็นไปหากระเป๋าตังค์ไม่เจอก็รู้สึกว่าจิตมันเศร้าหมองเออดีจิตมันเศร้าหมองแล้วก็ล้ายๆก็บอกว่าช่างมันเถอะถือว่าพาดเคราะ์ไปล้วกันเคราะแกนี่ไม่ใช่เคราะเราเนาะยวก็พลาดง่ายสิทำใจอ่ะค่ะทําใจแต่ว่า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 มีวันหนึ่งไปถามหนาวไหมหนาวพอดีไปหลวงปู่บุตรดานคนไปทําน้ําปานะให้ท่านอยากให้ท่านได้วิตามินซีมากๆนะทําสเปร้ยวสุดๆเลยไปถวายท่านนะท่านก็ฉันนะถ้าฉันเสร็จแล้วอีกวันนึง ต, ตัวเองไปแอบชิมอ่ะหูเปรี้ยวพิษเลยอีกวันหนึ่งไปลดเลยทำให้หวานหวานแล้วก็มาถามหลวงปู่เมื่อวานเปรี้ยวมากไหมบอกเปรี้ยวพอดี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 สีรัวันตาณจะาโอโนชยามะสาธุโนพันเตอายสมันโตสีรวันโตจาอิมานิฟังสกระจิวราณิสปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตู อาทีนันจะายาติมิตานันจะาเทวตานันจะาทีครตังอิตา ย, ายะสุขายะข้าแด่พระรัตนต์ตายแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญในสินสมาธิปัญญาข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระรัตนไตยแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญในศีลสมาธิปัญญาขอพระรัตนไตยแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญในศีลสมาธิปัญญา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 ให้แดมารดาบิดาญาติติดสายโรหิตมิสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยายดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาละนานเทินยถาวาริวหาปุราปริปูรเรนตีสากรังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปฏิ อิชิตังปฏิตังทุมหังชิปะเมวาสมิชชตูสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจั น, ทนโทปนารโสยถามณีโชติราสโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพโรโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวาอภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโน